ขอมุสลิมเขาก็จำกัดใช่ไหมหนึ่งหรือสองหรือสามแต่ไม่เกินสี่แต่คนคาเฟ่ในกาหนดจํานวนได้ไหมไม่มีจำนวนจะเอากี่คนก็ได้ใช่ไหมเรียกแบบบุฟเฟ่ก็ได้แต่ของเราต้องรับผิดชอบดูแลใช่ไมต้อเอาใจใส่แบบทั่วถึงเลยนะท่นนา น, นาบรรดาอับดุลฮะมทั้งหมดที่มาก่อนนะ้นาอบีนะุลฮะม์มานั้นมีพระยาเกินหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับแล้ววันนี้คนคาเฟ่จะมีเท่าไหร่ คนกาเฟวันนี้มีเท่าไรอ่ะอัลลอฮฺอบวัีแบบไม่อร่อยาจมีแบบทาซีนานะ Akbar, นะอัลลอฮอาบวอุลซ์บิลเลฮิมินาิกตัวร้ง่านาบีมุฮัมมัดมาถูกต่อต้านทุกวิถีทางแต่นั้นนบีต้องยืนหยัดเราเป็นอะไรนะเป็นบาวของอัลลอฮฺแล้วก็เป็นอุมม่าของนบีมุฮัมมัดต้องตอบคำถามแทนนบีมุฮัมมัดด้วย เราต้องหาคําตอบนะแทนนบีมูฮัมหมัดนะไม่ใช่ไปว่ามูฮัมมัดไม่ได้ต้องปกป้องนบีมูฮัมหมัดแล้าต้ปกป้องตัวเราเองด้วยต้องหาวิธีตอบนะฉะนั้นการมีภรรยาเกินหนึ่งเนี่ยต้องการพูดนิดหนึ่งนบีไม่เคยตบหน้าภรรยาคนใดเลยไม่เคยด่าภรรยาครับแล้วก็ไม่เคยตวาดภรรยาและนบีก็สอนนะคนที่มีภรรยาเนี่ยอย่าได้นะ ให้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายให้ดูแลรับผิดชอบอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยวลาตะดรีบิลวัจหายาตบหน้าภรรยาเห็นไหมนบีสาร์ไม่ให้ตบหน้าภรรยาแล้วก็เวลาตุกกบเบียดยาด่าภรรยาแล้วก็ให้ให้อาหารให้ให้เสื้อผ้าให้ให้ค่าใช้ใจ่ายประจำวันกับใครนะกับภรรยา Oh แล้วก็ไม่ให้ภรรยาทํางานนอกบ้านด้วยให้ทํางานที่ไหนอยู่ในบ้านแต่วันนี้ผู้ชายพวกเราเนี่ยอุลลอักวัตให้ภรรยาทำงานนอกบ้านเกือบหมดแล้วผู้ชายไปอยู่ที่ไหนเลี้ยงนกเขาก็เลี้ยงนกหัวจุกที่ภาคใต้ภาคใต้ที่าาทแถวหานยายสงขลาเนี่น ม, มีเพื่อนเยอะที่นั่นอะ่ะก็โทรศัพท์คนมาเล่าให้ฟังฉะนั้นพี่น้องครับ ต้องรับผิดชอบดูแลภรรยาไม่ใช่ให้ภรรยาเลี้ยงเราต้องเลี้ยงภรรยาจะมีกี่คนก็ตามต้องรับผิดชอบนะครับให้ภรรยาอยู่ที่บ้านนะครับแต่ถ้าจำเป็นสามีตายจะต้องรับผิดชอบดูแลก็ต้องออกนอกบ้านไปทำมาค้าขายไปหาดิสกีแต่ต้องแต่งกายให้มิดชิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อามาดู an, ุรานนะครับวอิมมานูรยันนกบาดัลทีนาอิดหุมอานตาวัฟยันนกฟ้อินนมอลยกัลบะละวะะอินัลฮิซบอยที่สี่สบนะครับวอิมมานูริยันนัก <t> อายาเนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้หน้าที่ของนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะหน้าที่นะอะไรรู้ไหมทำงานศาสนามาดาวะมาตาบลิกต้องการจะบอกอายาเนี้นะทีนี้ในการเผยแผ่ศาสนาของนบีเนี่ยคนที่ต่อต้านนาบีมีไหมมีครับคนที่ต่อต้านนาบีเนี่ยมีมากเลยแล้วก็นบีอยู่ไม่ได้ที่ไหน ที่นครที่บ้านเกิดตัวเองอยู่ได้เป่าไม่ได้ต้องอบพยบพพออบพยพไปแล้วเนี่ยเอาอบบอกกับนบีคือบอกเป็นลับๆให้รู้ว่าท่า น, นจะกลับมายึดนครมากาได้อีกจะกลับมายึดนครมากาได้อีกนบีก็นึกตลอดเวลาเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรใช่ไหม ตรงนี้อัลลอฮ์ต้องการจะเล่าให้นบีฟังว่อิมานูริยันนักและถ้าเราให้มุฮัมมัดเห็นเห็นอะไรรู้ไหมเห็นว่าได้กลับมายึธนครมักกะแล้วได้มีโอกาสได้เห็นเห็นว่างานหะน้าตัวเองได้กลับมายึดนครมักกะได้นบีชอบไหมชอบซอฟ้าชอบไหมชอบ รีบบอกล่วงหน้าไว้ก่อนไอการยึดนครมักกะได้เนี่ยอาจจะเป็นตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรืออาจจะหลังจากตายไปแล้วก็ได้เห็นไหมนี่อลัลลอฮ์สัญญากับนบีเอาไว้ตกลงว่าที่ท่านนาบีอยู่ที่นครมักกะสอนศาสนาและอยู่ที่นครมักกะไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปเสียใจหรอกอพยพไปเลย สบายไหมโอ้โหคนที่อยู่บ้านเกิดเมืองนอนใช่ไหมอบอบอกพยพจากหมู่บ้านตัวเองไปอยู่ที่อื่นและออกไปแบบไล่ไปไม่ใช่ไปแบบมีเกียรติที่ไหนไหนแบบไล่อะพวกศัตรูอิสลามเลยนะไล่นบีออกเหมือนกับไล่มุสลิมออกจากประเทศปาเลสไตน์วันเนี้ยถกยฮูดีไล่ไปไปอยู่ที่อื่นพอมุสลิมจับอาวุธขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อสู้ ก็หาว่าเป็นพวกอะไรพวกโจรพวกก่อการร้ายโอ้โหมันเจ็บสุดๆนะุดน่ะเจ๊ไหมนี่ก็เหมือนการต้องการจะเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังว่ามุฮัมมัดออกจากนาครมะ ก, กาไปแล้วนี่นะวันหนึ่งเอาล้อจะให้ท่านเนี่ยกลับมายึดนครมะ ก, กาได้อาจจะยึดตอนที่ท่านหลังจากท่านนาบียังมีหลังตายไปแล้วก็ได้หรือไม่ก็ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้มันอาจจะได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าได้ไหมได้แน่ มีการเมืองเ่าในงานเนี่ยการเมืองร0อยเอร์ซ็นแต่ว่าเรียกว่าอิสลามเห็ไหมอัลลอฮ์ทงานเนียนมากเลยบอกมมฮัมหมัดไม่ต้องห่วงถ้าหากเราจะให้มมฮัมหมัดเห็นส่วนหนึ่งของที่เราได้สัญญานะครับ สัญญามีหลายอย่างสัญญาว่าจะได้ยึดนครมากังสองสัญญาว่าคนที่ต่อต้านนบี ม, ม, มุฮัมมัดทุกคนจะได้รับการลมโทษคนที่ต่อต้านมุฮัม ม, มดัดได้รับการลงโทษหมดทีนี้อัลลอฮ์เนี่ยนะะดษมีนะอัลล uh ์เนี่ยอินนัลลอฮะลาุมลอัลล์ไม่ลืม ใครที่ทําอะไรไว้ในที่ต่อต้านโมหะมัดต่อต้านอิสลามต่อต้านสุนนะนบีคนที่ต่อต้านต่อต้านรวมไปถึงพวกเราวันนี้ด้วยที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลืมนะนี่กากระบาไปเลยไอ้เนี่ยเนี่ี่ี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้อัลลอฮ์ไม่ลืมครับแต่ทําไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเลยเพราะหลายคนนี่ยท้าอัลลอฮ์คนกาเฟนนี่ท้าอัลลอฮ์นะ อย่าเอาลอฉันไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยชันไม่เอาโมฮัมหมัดเนี่ยก็ลงโทษฉันมาสิแบบคนรุ่นก่อนอ่ะใช่ไหมน่ะคนรุ่นก่อนเนี่ยเวลาไม่เอานาบีนุฮะเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทําไงจมน้ำตายหมดเลยไอคนที่ขึ้นเรือปลอดภัยอัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาสอนฟาโรฟาโรไม่เชื่อจมน้ำตายใช่ไหมอัลลอฮ์ลงโทษเห็นเห็นเลย แต่สมัยนบีมุฮัมมัดนี่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษนะพวกนี้ก็เลยท้าวเอามาสิเอามาสิลงโทษฉันมาสิฉันไม่เชื่ออัลลอฮ์ฉันไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดฉันไม่เชื่อสุนนะนบีฉันไม่เชื่อกุรอานเนี่ยลงโทษฉันมาสินบีบอกว่าว่ละกินยุมหิลแต่อัลลอฮ์เนี่ยประวิงเวลาเอาไว้เท่านั้นเองอัลลอฮ์ไม่เลิมแต่อัลลอฮ์ประวิงเวลา ฉะนั้นการที่ประวิงเวลาไว้นะ่ะดีไหมดีสำหรับคนที่คิดจะกลับเนื้อกลับตัวเขาก็จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองฉะนั้นอัยยานี้ตองการจะบอกว่าอิมานูรยันนะกิบ้าอลวนแลดีไหนดูหุมมีสองสองมีสองความหมายนะความหมายหนึ่งอธิบายว่าถ้าเราจะให้นบีมุฮัมมัดเห็นส่วนหนึ่ง ของที่เราได้สัญญาว่าจะลงโทษพวกเขาคือคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่แอนตี้นายบีมุฮัมมัดคนที่ปฏิเสธกุรอานคนที่ปฏิเสธสุนนะหรืออัลลอฮ์จะให้นบีเห็นว่าจะได้มีโอกาสกลับมายึดคนครมากาได้อีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นท่านยังมีชีวิตอยู่หรือหลังตายก็ตามหรือลงโทษคนที่แอนตี้มุฮัมมัดตอนนบียังมีชีวิตอยู่กับหลังตายก็เหมือนกันต้องลูกต้องตูกลงโทษแน่ เอามาพูดถึงเรื่องการลงโทษก่อนนะถ้าการลงโทษอล่ะลงโทษคนกาเฟสนะต่อหน้านาบีมุฮัมมัดกับหลังนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยอันไหนจะเลวร้ายมากกว่ากันเราเคยบอกกันแล้วนะนบีมูซาเนี่ยยืนดูฟาโรจมน้ำตายใช่หรือไม่ใช่ หลังจากฟาโร่ขึ้นไอหลังจากมูซานาบีมูซาขึ้นฝังไปแล้วใช่ไหมพอขึ้นฝังไปแล้วเนี่ยก็หันมามองอะ่ะฟาโร่ลงลงทะเลเหมือนกันเนี่ยแล้วก็โจมน้ําตายต่อหน้านาบีมูซาอะเลฮิสซามอับยศสุดๆรู้เปล่าถ้านาบียืนดูการลงโทษของคนที่เป็นศัตรูต่อหน้านาบีมุฮัมมัดแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่อัลลอฮฺอับยศที่สุด แต่ถ้าหาว่าการลงโทษนั้นข้างหลังหรือหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วเป็นการลงโทษที่แรงเหมือนกันแต่อภัยยศน้อยกว่าคนที่ถูกลงโทษต่อหน้านบีฉะนั้นต้องการจะบอกว่านบีมุฮัมมัดนี่นะครับเป็นบุคคลสำคัญมากเลยในทัศนะของใครนะของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเราก็ต้องยอมรับให้นบีมุฮัมมัดดู่รุรานจะละอายาที่ส่งมาเนี่ย พูดถน บ, บีน บ, บีน บ, บีน บ, บีน บ, บีหมดเลยนะอา้าวถ้าหากเราจะให้มูฮัมมัดเห็นเห็นไหมถ้าเราจะให้น บ, บีมูฮัมมัดเห็นนเห็นได้ไหมได้เห็นการลงโทษของคนกาเฟตต่อหน้าน บ, บีมูฮัมมัดหรือหลังจากน บ, บีเสียชีวิตไปแล้วก็ได้หรือเราจะให้ท่านให้น บ, บีมูฮัมมัดเนะีเห็น กว่าตัวเองเนี่ยได้กลับมายึดนครมักกะหรือหลังจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วมายึดนครมักกะก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละนี่อัลลอฮฺพาลาพูดปลอบใจท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลฺลลอฮฺวะลาฮฺอัสซัลลัมนี่มองเป็นการเมืองนะไม่ใช่ธรรมดานะการเมืองเลยอะไรอย่างแรงเลยนะแต่พูดเบาห่อมอยู่เลยแหละเอาต่อมาครับ ฝ่ายอินนามาลาอิกัลบะลาคือต้องการจะบอกมูฮัมหมัดว่าต้องไปคิดเรื่องเมื่อไรจะกลับมายึดนครมักกะเมื่อไรอัลจะลงโทษคนที่ไม่เอ า, าศาสนามาต้องไปคิดหน้าที่ของนบี ม, มูฮัมหมัดมีอยู่หน้าที่เดียวอะไรรู้ไหมฝ่ายอินนามาลาอิกัลบะลาหน้าที่ของนบี ม, มูฮัมหมัดบะลาตับลี่สอนไป สอนไปทํางานหน้าที่ของเราสอนสอนสอนสอนสอนเนี่ยเรื่องอื่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาคิดใครจะรับอิสลามไหนรับอิสลามเมื่อรัยจะพิชิตนครมา ก, การไดา้ไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวไม่ต้องคิดอยู่เฉยๆทาหน้าที่อย่างเดียวอะไรนะสอนสาศาสนาไปบอกไปเตือนไปเตือนไปเตือนไปเตือนไปเตือนไปอย่าลืมเลยคนทํางานาศาสนานี่ไม่ถูกดา่าไม่มีนะ ไม่มีใครรักหมดหรอกร้อยคนนะรักสักยี่สิบอีกแปนะดสิบน่ะด่าทั้งนั้นน่ะด่าคนพูดศาสนานี่นะมึงพูดไหม่เขาหูพูดแรงมึงพูดอย่างงั้นสารพัดจนเรานั่งฟังแต่อย่าลืมว่าหน้าที่นะครับก็คือหน้าที่น บ, บีมุฮัมมัดมีหน้าที่สอนศาสนานานๆนนอัลลอ์ก็จะปลอบใจน บ, บีมุฮัมมัดทีหนึ่งคือส่งคุรานมามาปลอบใจว่านี่ไง นบีที่มาก่อนหน้านะั้นท่านเนี่ยก็ถูกต่อต้านถูกเยาะเยะ้ยถูกรังแกถูกนู่นถูกนี้มาหมดแล้วฉะนั้นนบีามาุฮัมมัดไม่ต้องไปเป็นทุกข์ในเรื่องเหล่านี้หน้าที่ท่านก็คือตับลิกอย่างเดียวอต่อมาวาไลนัลฮ <c oughs> ิซับและเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์คือการคิดบัญชี พฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำดีหรือทำชั่วอัลลอฮ์ไม่ลืมนะนบีพูดย้ำนะอัลลอฮ์ไม่ลืมแต่อัลลอฮ์ประวิงอัลลอฮ์ไม่ลืมอัลลอฮ์เพียงแต่ประวิงเวลาไม่รีบลงโทษเท่านั้นเองนะครับนี่อายะทรายอายะที่สี่สิอายะสี่สิบเนี่ดีนะดีมากเลยนะครับ อแปะมาอีกทีนะครับว่าอิมานูริยันกับบาบดลลาดินายดูฮุมและถ้าเราจะให้มูฮัมหมัดเห็นนุริยันนะก็หมายถึงเห็นนะบาบดลลาดบางส่วนของที่เราได้สัญญาค <c oughs> งว่าสัญญามีสองความหมายนะ <c oughs> ความหมายหนึ่งคือสัญญาว่าจะลงโทษคนที่ไม่เอาอิสลาม <c oughs> คนที่ต่อต้านนาบีมูฮัมหมัด คนที่ต่อตาสู้หนาท่านนาบีบ่ถึงพวกเราด้วยหรืออัลลอฮ์จะให้นบีเห็นว่าจะกลับมายึดนครมกักกะอีกครั้งหนึ่งมีสองความหมายนะครับจะจะมองตรงไหนก็ได้ธานักการเมืองก็จะมองเรื่องการยึดยึดยึดยึดยึดทานักศาสนาก็จะมองเรื่องอไรนะเมื่อายจะลงโทษลงโลงโทษไอ้คนที่ไม่แอนตี้ศาสนาไม่แอนตี้มุฮัมมัดแอนตี้รอซูนแอนตี้ซูนนะมันมองได้สองแง่ ก็คอยมองแง่ดีประเทศกันนะ้นอาต่อมาครับหน้าที่ของนบีมุฮัมมัดก็คือสอนศาสนาเราเองเอามากันเราต้องนึกนะเราต้องทําหน้าที่ของเราเนี่ยเผยแพผ่อิสลามให้กับใครก่อนอย่างน้อยที่สุดก็ให้กับครอบครัวเราอนใช่ไหมถ้ามีโอกาสกว่าคนอื่นใช่ไหมเรื่องนี้มปนเรื่องที่สําคัญมากเลยนะการราลึกถึงอัลลอฮ์มีกี่ข้อ สี่ข้อรำลึกถึงอัลลอ์ที่ดีที่สุดมีกี่ข้อนะสี่หนึ่งอะไรรู้ไหมเรียนศาสนาสองสอนศาสนาสามทบทวนอัลกรุรอานอันที่สี่รำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านบทดวงต่างๆนี่แหละเป็นการรำลึกถึงอัลลอ์ที่ดีที่สุดอ้าวถ้าสอนต้องใช้คนเยอะไมล่ะอ้าวสอนก็อยู่กับคน เรียนก็ต้องอยู่กับคนใช่ไหมนะ่ะแต่ถ้าอ่านกุรอ่านอ่านคนเดียวกว็ได้ใช่ไหมรำลึกถึงอลร่อยอ่านคนเดียวได้ไมั้ยได้ตัวลงว่าสองเรื่องอยู่กับคนอีสองเรื่องทํากับตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวอยู่ในบ้านคนเดียวทบทวนอ่านกูรอานยึดครุลล้อยอยู่คนเดียวได้เลยแต่อีสองเรื่องต้องอาศัยคนหมดเลยสอนกับคนอยู่กับคนเรียนกับคนใช่ไหมอยู่กับคนก็เป็นอิบัตัดปรีกตัวมาอยู่คนเดียวก็เป็นอิบัตัด้วยน่ะ อยู่คนเดียวอ่ะทําอะไรรู้ไหมมานา ม, ามาอ่นอานคูณอ่านอยู่คนเดียวฉะนั้นการอยู่คนเดียวกว่าเป็นาศาสนาการอยู่กับยามาก็เป็นาศาสนาอยู่กับยามากในนบีสั่งดีรู้ไหมต้องอดทนใครที่อยู่กับยามากต้องอดทนถ้าไม่อดทนอยู่ไม่ได้ไอคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้พูดอย่างงี้ไอคนนี้คิดอย่างงี้ไอเราดีปวดหัวไปหมดแหละ ท่านต้องอดทนแต่นี้อดทนอดอยังไงอิบติรออามารดดิลลาวาสบารูจงอดทนระหว่างที่อดทนเนี่ยนึกอะไรหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาถึงจะได้รางวัลทนอย่างเดียวไม่หวังไม่ได้ทนแล้วก็ต้องหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาเมียบนโบนั่งบนอยูนั้นนหะทาําไงอ่ะอดทน ไอ้ตอนอดทนเนี่ยนึกอะไรฉันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่ได้นะครับเอาต่อมาครับอาวะลัมยาเราอันานะติลอาร์อนังกุสุฮามินอัตราฟิเา อาบาลามยาเราพวกเขามิได้เห็นดอกหรือยาเราไปไว่าเห็นพวกเขามิได้เห็นดอกหรืออันนานติลอัลลอแท้จริงเราได้นำแผ่นดินได้นำแผ่นดินได้ให้แผ่นดินแผ่นดินไปร้องไงตัดทอนตัดทอนแผ่นดินอธิบายอย่างนี้ ตัดทอนแผ่นดินตามไหนาตามเขตขันของมันนะครับตัดทอนแผ่นดินอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์สุบฮานาฮูบตาอาลาเนี่ยพี่น้องให้คนนี้นะให้ประเทศบางประเทศเนี่ยถูกยึดโดยมุสลิมเห็นไหมแต่พูดดีไหมพูดมองไม่รู้เลยว่านี่เป็นการเมือง อัลล์ตาลาเนี่ยนะให้บางประเทศเนี่ยตกใต้ยอยู่การยึดอำนาจของมุสลิมเคยเห็นัหยล่ะอังกอรเนี่ยมกักกะเราเนี่ยใครใครปกครองมักกะสมัยก่อนเนี่ยคนกาเฟตปกครองใช่ไหมแม้จะกะบา้าใครปกครองคนกาเฟตหมดเลยอะ่ะแล้วต่อมาอัลลอ์ให้นบีมุฮัมมัดมายึดนครมักกะนี่แหละต้องการจะอธิบายว่า แผ่นดินของอัลล์เนี่ยอัลลอ์ให้มาอยู่ใต้การปกครองของท่านอย่างไรการเมืองไหมการเมืองครับเพราะฉะนั้นหรือจะอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็ได้บอกว่าอัลลอฮ์สุบฮตดอาลาเนี่ยให้มุสลิมเนี่ยชนะคนกาเฟ ต้องการจะอธิบายนะครับบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคนที่เป็นคนกาเฟตแล้วต่อมามารับนับถือศาสนาอัลอิสลามเนื่องจากที่นบีสอนเผยแผ่เนี่ยไอการมารับนับถืออิสลามเนี่ยทำให้มุสลิมแข็งขึ้นใ ช, ใช่ไม่ใช่อะมีพวกเพิ่มขึ้นอายกยกตัวอย่างตอนไซนาอุมัด ร, รับอิสลามเนี่ยเมื่อก่อนไซนาอุมัดเป็นศัตรูกับนบีใช่หรือไม่ใช่ วันที่นบีวันที่ไซนาอุมัดมารับอิสลามวันนั้นน่ะเดินออกจากบ้านไปแล้วก็ไปสวนทางกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมแล้วเขาถามว่าคุณจะไปไหนเนี่ยไซนาอุมัดบอกฉันจะไปฆ่านาบีมูฮัมหมัดแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าก่อนที่จะไปจัดการมูฮัมหมัดเนี่ยไปจัดการที่บ้านคุณก่อนบอกบ้านฉันมมีอะไรเลย ก็น้องสาวคณน่ะรับอิสลามแล้วใช่ไหมก็กลับไปบ้านเนี่ยไปเจอน้องสาวกำลังอา่านคุรอานอยู่บนบ้านครูคนหนึ่งเป็นซอฮบ้านนบีที่รับอิสลามก่อนหน้าเนี่ยกำลังสอนคุรอานน้องสาวอยู่บนบ้านไปยืนอยู่ก็ได้ยินก็เข้าไปในบ้านเลยถึงเข้าไปก็ไปจัดการก่อนน้องสาวตีตรงไหนก็ไม่ทราบเลือดอไหล พอเห็นเลือด ก, ก, ก็ก็ใจอ่อนนะคุณกำลังอ่านอะไรอยู่เอาออกมาสิน้องสาวเนี่ยเอากูอ่านสายไปในอกแล้วแล้วก็ต่อมาเนี่ยน้องสาวก็เอามาอามาอ่านมาอ่านให้ฟังเพราะอ่านแล้วใจมันอ่อนนะใส่หน้าอุมาใจอ่อนก็เดินไปหาท่านนบีที่บ้านไปรับอิสลาม การรับอิสลามของคนคนหนึ่งเนี่ยทำมาอิสลามเข้มแข็งขึ้นใช่หรือไม่ใช่อะแล้วก็ทำมกลงกาเฟตอ่อนแอไหมอ่อนแอนี่ตรงการที่อธิบายอย่างนี้อาวาลัมยะเราพวกเขาไม่เคยเห็นดอกหรืออันนาณติลอรัรบอนังกูซูฮามินอัตรอฟิฮาและเราได้นำแผ่นดิน ตัดทอนให้ตามเขตขันของมันคือตัดทอนให้มุฮัมมัดได้ดูแลรับผิดชอบให้คนในพื้นแผ่นดินนั้นมารับอิสลามทีละคนสองคนสามคนสี่คนทำํำมาอิสลามเข้มแข็งขึ้นทําให้มุสลิมเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ความอ่อนแอก็เกิดกับคนกาเฟตใช่หรือไม่ใช่หัวหน้าคนกาเฟตมารับอิสลามถ้าคนกาเฟตอ่อนแอได้เข้มแข็ง ออนแอลงมุสลิมเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเป็นความดีมากเลยฉะนั้นดาวหน้าที่ของเรานะถ้าเราได้ไปเชิญชวนใครให้มารับอิสลามยิ่งเป็นอบตอุอโลโล ย, ยิ่งดีใหญ่ยิ่งเป็นรัฐมนตรีมารับสักคนหนึ่งยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมความเข้มแข็งของอิสลามก็จะเจริญมากขึ้นเมื่อวันซื่เนี่ยมีฮัมซา คนฝรั่งเศสรับอิสลามรับมาตมาปีกว่าพิ่งพบกับผมเมื่อวันซื้อเองนั่งกับตรงนี้นั่งกับตรงข้างๆนี่ละพูดถาว่ามาจากไหนมาจากฝรั่งเศสรับอิสลามเมื่อไหร่รับมาปีกว่าแล้วก่อนรับอิสลามนับถืออะไรมานับถือมาสอศาสนาแล้วหาพระเจ้าไม่เจอแล้วก็เอ่ยชื่อท่านด้วยชื่ออะไรนะ สันดีดีผมก็งงสันดีดีใครสันดีดีใครไม่มีพระเจ้าหาพระเจ้าไม่เจอพอมารับอิสลามเพิ่งจะเจออัลลอฮ์แล้วตัวเองก็แต่งงานพอแต่งงานเสร็จแล้วก็บอกภรรยาว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะฉันเป็นมุสลิมถ้าจะอยู่กับฉันก็ต้องเป็นมุสลิมแล้วมุสลิมคืออะไรอิสลามคืออะไรภรรยาถาม นี่ก็ตอบตอบตอบตอบไม่ห้ามโดยเลยเลยกว่าจะเปลี่ยนอิสลามก็ใช้เวลานานเหมือนกันอ้างก็มารับอิสลามมาแล้วห้ามดยลยแล้วรับกันต่อสองคนแล้วผมถามไปว่าคุณมาหนามาที่นี่เนะมันผ่านตั้งหลายสุราอ่ะมันไกลอ่ะมาทําไมอ่ะซุนนะนบีแล้วผมถามว่าคุณอยู่ที่ไหนเขาบอกเขาอยู่ที่ซอยซาเลน้อย ผมถามว่ามุสลิมในสายตาของคุณเป็นยังไงมุสลิมเนี่ยไม่เอาศาสนาเยอะมากครับเป็นมุสลิมแต่ไม่เรียนศาสนาอัลลอฮฺบอกบัดเขาเข้าใจเขาเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นมุสลิมแต่ไม่เรียนศาสนาเป็นมุสลิมแบบอะไรนะประเพณีปฏิบัติอยู่ยังไงก็อยู่อยังงั้นและ ไม่พัฒนาไม่เรียนไม่ค้นควา้าไม่สนใจทั้งนั้นอ่ะอยู่แบบวันๆอย่างกับนกบิดบิน้นบินทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละไม่จะมีโอกาสให้กาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะาบูฮฺอะไรไปต้องเห็นอย่างนั่ น, น, นคนไม่ใช่มุสลิมมารับอิสลามแต่สามารถอธิบายอิสลามให้เราฟังได้แบบคำเดียวเราประทับใจอะนะก็นั่งคุยกันนะครับเราห้มเดี๋ยวเดี๋เอาเล่าแค่นั้นพอ อาเธอร์ น, นี้อลัลลอฮ์ต้องการจะเล่าให้นบีฟังนะว่าแผ่นดินนี้นะอลัลลอฮ์ดูแลหมดอลัลลอฮ์จะตัดแผ่นดินตรงไหนให้นบีมัดครอบครองได้ไหมได้แล้วก็ครอบครองจริงๆด้วยอะเมื่อก่อนน่นนครมากกรนบีดูแลได้ปะไม่ได้ก็ ต, ต่อมาอาลัลลอฮ์ให้มุฮัมมัดมาดูแลเห็นไหมแล้วก็อียิปป์อ้าวทุกที่ประเทศในโลกนี้ที่ที่เป็นรัฐอิสลามเต็มไปหมดน่ะ ใครก็อัลลอ์เป็นคนจัดการทั้งหมดด้วยการเผยแผ่ของนบีมุฮัมมัดสุลลัลวาลาฮิวะซัลลัมนะครับอาวะลัมยาเราอันนาติลอร์กอนังกูสุฮามินอัปรอฟิฮาพวกเขาไม่ได้เห็นหรือว่าเราได้นำแผ่นดินนะครับและได้ตัดทอนให้นบีมุฮัมมัดรับผิดชอบดูแลตามเขตขันของมัน การจัดการจัดกา ร, การให้คนรับอิสลามเพิ่มขึ้นที่ะคนสองคนใช่ไมตอนนี้ อ, อ, อ, นอัลลอ์ก็ลดอาประเทศอะไรนะ่ะอุนเดลุสใช่ไหยสเปนมอก่อนเป็นของอิสลามใช่ไหมปกครองอยู่หลายร้อยปีอ่าประมาณเจ็ดร้อยปีประเทศอินเดียมุสลิมปกครองหลายร้อยปี อันนี้วันนี้อัลลอฮฺตัดแล้วให้ไปอยู่ในมือคนกาเฟตเพื่อให้มุสลิมได้สํานึกแต่เราสํานึกมีสํานึกกันกี่คนทีนี้อย่าลืมนะมุสลิ ม, มนะี่อัลลอฮฺสั่งในกัมพูุรอ่านไว้นะเวลาอยู่สบายสบายแล้วเวลาสุขสบายแล้วลืมอัลลอฮฺหมดกษัตริย์อินเดียมีเรื่องเล่าให้ฟังนะเขาสอนเขายงังเขายังไม่ได้ทิ้งนะยังสอนอยู่นะ กษัตริย์อินเดียเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ให้อำนาจมากๆเลยอยู่สบายๆนะมีความสุขมากเลยนะทาอะไรก็ทําอะไรไม่เป็นแม้แต่จะใส่รองเท้านี่นะต้องมีคนมาช่วยรองเท้ามันเบี้ยวนะก็ต้องเรียกคนชายนี่รองเท้าฉันมันเบี้ยวมาจัดให้ตรงหน่อยจะก้มหลังหยิบใส่รองเท้าเองนะมันเหนื่อยมันเสียฟรม ถูกอบรมมาในทางที่สบายๆอิสลามสอนอยางงี้ไหมไม่ใช่น บ, บีสอนอยางงี้รู้เปล่าอียากุมวลมุตนาอิมีนพุทธังหลาจงระวังนะอย่าใช้ชีวิตอยู่แบบสบายจนเกินไปฝะอินนาิบาดลลอแท้จริงบ่าวอัลลอฮ์นั้นไลซูบิลมุตนาอิมีนบ่าวของอัลลอฮ์ที่รู้จักอัลลอฮ์จริงๆนี่นะเขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบสบายๆอยู่สบายๆ ฝึกลูกนอนแอ้บ้างไม่แอ้บ้างก็ได้เดี๋ยวพอผพ้ากระดูร้อนมาส่งลูกสารหลานเรียนหนังสือยอนูดอยู่ไม่ได้ร้อนไอแช่กระจายออกเนี่ยไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนระวังระวั ง, วงเลี้ยงหลานสบายสบายจนเกินไปคุณฝึกให้นอนทั้งห้องแอ้บ้างห้องร้อนบ้างพัดลมบ้างพื้นบ้างไม่มีหมอนบ้างต้องฝึกให้หมด ลกหลานไม่มีปัญหาหรอกฝึกให้ลำบากอย่าฝึกให้สบายอย่างเดียวสบายมากๆเนี่ยให้มาพวกกษัตริย์กษัตริย์ของมุสลิมเนี่ยก่อนๆเนี่ยที่เอา ล, ลอดทําลายหมดไปไดเพราะมันอยู่สบายเกินไปคนยะฮูดีเวลามีอํานาจเยอะทําลายพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมเน่ยดีอย่างเนี่ยไม่ทําลายใครแต่ทําลายตัวเองใช่หรือไม่ใช่อะ เวลายอยู่สบายทําลายใครทําลายตัวเองคนเยฮูดีเวลายอยู่สบายร่ํำรวยทําลายพี่น้องมุสลิมเห็นอย่างเห็นชัดเลยวันนี้เห็นชัดมากเลยที่อลัลลอฮ์เนี่ยตอนนี้ล้างอะไรกำลงัลงกำลังล้างโดยน้ําไอ้น้ําที่มานี่นะมันก็แบบมนุษย์ที่ขึ้นมาปฏิวัติประเทศเนี่ยยับยั้งไม่ได้เพราะน้ําเนี่ยไปยับยั้งไปกันกันกันเดี๋ยวมึงทะลักพ่านท่านปล่อยธรรมชาติ ปกป้องหายวิธีที่มันลงทะเลให้ไวที่สุดขว่าจะทั่วกรุงเทพประมาณเม็ดยังไงไหมไม่ไปได้เม็ดเดียวเองแค่เอวเอาต่อไปครับวัลลาฮูย์หักษมุลาหมักกิบาลีฮุคุมิและเมื่ออัลลอฮ์ทรงตัดสินวัลลาฮูย์หักษม เมื่ออัลลอตัดสินน ะ, ะตัดสินให้น้ำท่วมยกตัวอย่างและมุอคติบาลิกมิฮีไม่มีใครไม่มีผู้ใดจะมากลับคำตัดสินของอัลลอได้ถ้าตัดสินแล้วว่าคุณเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ตัดดีดของอัลลอเป็นอย่างนี้ไม่มีใครมา กับคำลืมมายับยังไม่ให้เกิดไม่ได้ลราดูอาอย่างนี้เราสอนอ่านกันตอนจะให้สลามใช่ไหมอั um ลลอฮุมลเราจะให้สลามแล้เสิอัลลอฮุมาลามาเนะลิมาอัลกอิตะเวลามวยตีลิมามานะเตอัลลออัลลอฮุมาลามาเนะถ้าอัลลอ์ไม่ให้ใครให้ได้ไหมไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์บอกให้ให้ให ใครมายับยังเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดูอาเตือนใจเราตลอดเวลาท่านอา ญ, ญานี่ต้องการจะอธิบายว่าถ้าเอลลาลอดตัดสินให้เกิดเรื่องมีปัญหามีความเดือดร้อนไม่มีใครมายับยังได้นะครับวะฮุวาสรีอัลฮิซาบและอัลลอฮเป็นผู้ทรงฉับพลันเสเรียเนี่แปลว่าไว ไว้ในการอะไรนะในการชําระการลงโทษหรือให้รางวัลกับคนที่ทําความดีหรือลงโทษคนที่ทําความชั่วเมื่อไรรู้ไหมส่วนใหญ่จะอธิบายว่าหลังตายจะให้เห็นหลังตายทั้งหมดนะพี่น้องพี่น้องคำว่าอัลลอฮ์ตัดทอนแผ่นดินเนี่ยอธิบายยังไง อธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์ให้นี่ไงนี่ไงให้น้ำท่วมเนี่ยตัดทอนแผ่นดินให้ผ ล, ลไม้ตายให้ข้าวในนากี่ล้านไร่เนี่ยเสียหายนี่แหละเกาเรียกว่าตัดทอนแผ่นดินในคำพิกลานหรือบางท่านอธิบายบอกว่าท่านอิบนอับบาสบิเมาติอุลามาอีฮา อย่างแผ่นดินใช่ไหมตรงนี้เคยเจริญมีการบรรยายศาสนาผู้ศาสนาคนฟังเป็นร้อยเป็นพันอลัลลอ์ต้องการจะตัดทอนแผ่นดินตรงนี้ให้อุลมามะที่เคยบรรยายศาสนาที่สอนศาสนาตายพอตายภาพคนมันก็โอ้ตัวครูตายไปแล้วกว่าจะได้ตัวครูแบบเดิมต้องใช้เวลาอีกปีสองปีสามปีสีป่ปีนี่ไงวิธีตัดทอนแผ่นดินของอัลล์ ฉะนั้นต้องสร้างคนไว้เยอะๆต้องสร้างคนฉะนั้นมีลูกเยอะๆอย่ามีลูกน้อยๆไอ้ลูกๆของพวกเราเนี่ยต้องมีศาสนาเยอะๆเพราะวันนี้เนี่คนไม่เอาศาสนามันเยอะมากกว่าคนที่เอาศาสนาเราต้องผลิตลูกของเราเยอะๆขึ้นมามามาคานอำนาจของความชั่วนะครับเอาต่อมาอธิบายอีกอย่างหนึ่ง Allah ได้ตัดทอนแผ่นดินให้คนในแผ่นดินนั้นมารับนับถืออัลอิสลามใช่ไหมอย่างที่เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นรับอิสลามคนก็เยอะที่ประเทศอินเดียรับอิสลามไอ้ที่ออกก็มีนะอยะ่ามองว่ารับอย่างเดียวที่ออกไปก็เยอะใช่ไหมก็เพราะความใจเห็นเพความไม่รู้นั่นแหละใช่ไหมละ่ะเอาต่อมาครับอายะสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยก่อนอยะสุดท้าย ว่า ق د م ا ك ر و ล ا ل ذ ม ن من قبلهم ว่า ق د م า ك ر و ن الذين من ق ب ل ه มและแน่นอนบรรดาก่อนหนะ้าพวกเขาได้วางแผนมากัรอแปลว่าวางแผนคนที่วางแผนเนี่ยส่วนใหญ่แผนแผนดีเลยแผนแผนแฉนแนแผนชั่วทั้งหมดนั่นแหละอัลลอฮฺเล่าน่ะ ตัวลมละศาสนาอิสลามเนี่ยนบีมูฮัมมัดเนี่ยสอฮ บ, บานนาบีเนี่ยถูกวางแผนที่จะถูกทำลายมาหมดแล้วมูฮัมมัดมีคนวางแผนจะฆ่านาบีมีมั้ยมีแต่นบีไม่เคยโกรธนะแปลกนะเอา้นานบีเคยถูกใส่ ย, ยาพิษในอาหารนาบีทานนาบีรู้อ้นี่ยาพิษสอฮ บ, บานนบีสอสังคนตายแล้วตาย แต่นบีอัลลอฮ์ให้รู้เฮ็นยาพิษประจับตัวมาซิเรับสารภาพว่าฉันต้องการจะทดสอบว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าก็ใส่ยาพิษมาถ้าเป็นนบีจริงรู้ก็นบีก็รู้จริงๆอ่นานนบีเลยโอเคไปะ ป, ไ ป, ไปให้อภัยใหอภยัยถ้าเป็นเราทำงานเนี่จบไหมไม่จบแต่นบีนบีเลยพูดเลยว่าใครที่ดาฉันเชิญ ใครที่คิดรังแกฉันเชิญแต่ใครเราไม่นมาดดูสิถ้าเป็นมุสลิมไม่นามาดฉันจัดการเห็นไหมคือเอาเรื่องเรื่องศาสนามันเรื่องใหญ่ไอเรื่องส่วนตัวมันเรื่องเล็กแต่เราวันนียกลับกันนะเรื่องส่วนตัวยี่เรื่องใหญ่เรื่องศาสนาจะเรื่องเล็กวันนี้เป็นอย่างไงมั้ยใช่อลอลูกไม่นามาดเชย เงียบเป็นต้น ก, ก, ก็ก็ปรับปรุงตัวเราเองนะครับเอาต่อมาครับวก็จะมากรอนลาลีนะมิงกาบลิฮ์แน่นอนบรรดาก่อนหน้าพวกเขาได้วางแผนแต่ฟาลิลลาฮิมะครุจะมีอ่และแผนการทั้งหมดเป็นของใครเป็นของอัลลอ เขาวางแผนอัลลอฮ์ก็วางแผนซ่อนแผนอีกทีหนึ่งแต่แผนของอัลลอฮ์เนียนมากไปนเนียนมากเลยนึกถึงสภาพเนี่ยภาพที่วันที่คนที่ไล่ตามนาบีใช่ไหมนึกภาพวันนั้นนะ่ะไลอูดเนี่ยพอจะกล้าถึงนบีอูดจมอะไรนะจมทรายกว่า จ, จะขึ้นนบีเลยไปแล้ววิ่งวิ่ ง, งไปจมทรายอีก ขัวจะเข้ามาใหม่ค น, นัางหลังอูดเนี่ยในแผนอัลลอฮ์ทั้งหมดไอผู้พาก็วางแผนเนี่ยมาตรงการจะจับนบีมูฮัมหมัดมีรางวัลแพะร้อยตัวอูดร้อยตัวไอคนที่ออกไปก็ยังได้อูดเนี่ยที่ไหนได้อัลลอฮ์วางแผนซ่อนแผนพออูดจะถึงนบีมูฮัมหมัดอูดโจมสายไปไม่ไหวนี่แผนของอัลลอฮ์สะพานอะบูอัตตา ฉันอย่าไปเล่นกับอัลลอ์เลยแค่นั้นอัลลอ์สัญญาคาบีอุรอานนะอานะและอักลิบันนะฉันอัลลอ์ชนะแน่แวารุสูลีและรอซูลทั้งหมดของอัลลอ์ชนะแน่แน่วลมุมินูและมุมินทั้งหมดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อนั้นทชนะแน่ๆนนี่อัลลอ์สัญญาเอาไว้ถ้าจะถูกรังแกบ้างเรียกน้อยมันจิ๊จ้อย อ่านฮะดิษพบนะคนที่ตาย شهيد ถูกระเบิดตุ้มแล้วก็ตายนี่นะเจ็บไหมเรามองภาพโอ้โหล่จาจะดโทรมาสุดๆนะฮะดิษนบีอธิบายไงรู้ไหมมดกัดเจ็บกว่าโลอักวะมดกัดเจ็บกว่าแต่ไปมองภาพดูโอ้โหตายยังไระเบิดถูกคว้างระเบิดตาย คนทำงานาศาสนาเนี่ยมดกัดเจ็บกว่าทฮองดีล้วอาลับชื่นใจเนี่ยถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺศรัทธาต่ออีมานตา่อรอยสุนของอัลลอฮฺทำงานาศาสนาอัลลอฮอัลลคุมค้มครองหมดเลยครับารฮัมดุลิลลาห์เอาต่อมาครับยะอลามมาตะซิบกุลนฟศิน ยญาติมูมาตักซิบุกุลนับสินพระองค์ทรงรู้ทุกชีวิตอัลลอฮ์รู้ทุกชีวิตที่เขาปฏิบัติทุกชีวิตที่เขาขนขวายรู้หมดเลยอืปีน้องนั่งอยู่ตรงเนี้ยวันนี้มาจะนั่งโดยความบังเอิญ น, นะขยือตอหามานั่งเพิ่มมาอีสิบคนเนี่ยไม่ได้มาด้วยความบังเอิญนะไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้ววันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ ม่ใช่มาด้วยความบังเอิญแต่ น, นั่นทั้งหมดอลัลลอฮ์กำหนดทั้งหมดเลยและ อ, ลอัลลอฮ์รู้อะไรจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอลัลลอฮ์เรื่องในใจของมนุษย์อลัลลอฮ์ก็รู้นึกอะไรแต่ละคนแต่ละคนอลัลลอฮ์รู้หมดนี่พมา่าทัดิสปกความความความทุกข์มา เช้าเ้าเนี่ยข้าวเฝ้าอาลัลลอฮ์อย่าอาลัลลอฮ์ความจนความเป็นไข้เรื่องมุซีบ้าเดือดร้อนเรื่องลําบากลาบากทั้งหมดเนี่ยข้าวเฝ้าอาลัลลอฮ์อย่าอาลัลลอฮ์วันนี้ยจะส่งฉันไปอยู่กับใครเาลาก็ตอบว่าไปหาคนดีดีดีดีคนที่อีหมานต่อฉันไอความทุกข์ก็ย่าอาลัลลอฮ์ ไอชื่อดีฮะที่ท่านให้มานะคนดีหมดเลยและแล้วเอาความลำบากไปอยู่กับคนดีทำไมแล้วเราก็บอกฉันต้องการจะทดสอบมันเพราะมันเป็นคนดีต้องการจะดูมันหน่อยหมนไปน้องดูกี่เรื่องดูสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งนว่ามัน إ ي م านอิมานมันภาษาอุดูวาปากกาออกกัตจาอีมานเข้มหรืออีมานอ่อนไปดูสิเวลาตอนได้รับความเดือดร้อนน่ะ คนที่มีอิมานจะแสดงออกเลยอิมานเข้มหรืออิมานอ่อนถ้าอิมานอ่อนเนี่ยโวยวายวูวอะไรกันนี่อิมานเข้มเนี่ยเฉยมองอินนาลิลลาอินนาอิลัยราจลุอัลฮมดุลิลลาห์อัลลอฮุมะนีฟมุสีบัตว่าขออุาวุลเลยฟ้องอลัลลอ์องเดียวถ้าเขาอดทนผ่านไปได้เราจะเพิ่มอิมานให้เับ เราจะเพิ่มของดีให้เขาแล้วก็เราก็จะเตรียมอะไรรางวงรางวัลสวรรค์ให้กับเขาอัลลอฮให้ไหม่ไปนอกฉะนั้นคนที่เป็นคนดีเนี่ยนะอย่านึกว่าจะดีตลอดไปนะจะไม่มีมูซีบาจะไม่มีความเดือดร้อนเน่ยไม่ใช่นี่ตลอดเดี๋ยวให้ตับยาง<อ>กอนคืน้ำนบาดอยู่ ม, <น>มามกรีบตุ้ม อ้าวทำดีๆเลยมีหมดให้มีปัญหาเดือดร้อนมั่นี้นี่นั่นไอ้ความสบายก็เหมือนกันความสุขความสบายเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศตื่นชามาเข้าฟังวันแล้วอลอจะส่งฉันไปอยู่ที่ไหนวันเนี้ยอลลอตอว่าไปที่บ้านที่ไม่เอาฉันนะที่ไม่สุยญ์ ต, ต่อฉันเนะ่ยธีดาฉันนะไปไปถึงบ้านมาเลยนะ ไอความสุขก็ถามว่าย่าเอาลอถ้าโศงนั้ไปทําไมไรคนชั่วช่วเน่ยฉันต้องการจะทดสอบเขาสองสมเรื่องนะเรื่องอะไรบ้างคนชั่วนี่นะเวลามันได้รับความสุขความสบายได้รับเงินเพิ่มขึ้นมันก็วางแผนทําชั่วเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ใช่ได้เงินปังวันนี้ได้มาห้าล้านเนี่ยชั่วมันอยู่ในใจอยู่แล้วนึกเออคนนี้ไม่กลับบ้านนอนโรงแรมเลย หาใครมาเป็นเพื่อนนะผู้หญิงให้มันอ่งกินเหล้ากินนูนกินนี้บาปเพิ่มขึ้นประการที่สองอลัลลอ์จะเพิ่มอาดาบให้กับคนเหล่านี้เวลามีความสบายเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นอาดาบเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เตรียมนรกเอาไว้สำหรับพวกคนเหล่านะั้นเรานี่ถูกทดสอบจากอลัลลอ์ตลอดเวลาท่านพี่น้องมุสลิมเนี่ยสังเกตนะ้าฟาโร่เนี่ยไม่เคยเป็นวัดเลย ผมก็อันพบแปลกไม่เคยจำเฉยยไม่เคยจำอ่ะความสมบูรณ์ในร่างกายที่อัลลอฮ์ให้น่ะถ้าอัลลอฮ์รักก็อัลลอห์มั่นไส้เฟรอโนนี่ยอัลลอฮ์มั่นไส้แต่ให้ร่างกายแข็งแรงเลยไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยอัลลอฮ์ให้ไหมน้าอูสซาบิลได้ในซาลิคฉะนั้ น, นการเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นของดี มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากเลยนะครับแต่ต้องสบัดอดทนนะเวลาสบัดต้องนึกถึงใครอ่ะนึกถึงอัลลอฮ์จำไห้นะวัสบิรูจงอดทนแล้วก็อิติาะอัมรดดอตินแล้วหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุพานะอูวัตอัลวัสัยะอัลลมุลกุฟารุลิมานอัคบัดดาสัยะลามกุฟารพวกปฏิเสธจะไม จะรู้ในไม่ช้าซาเนี่ยซาแปลว่าในอนาคตซาฟาแปลว่าในอนาคตซาเนี่ยอนาคตใคกล้ๆนี่แหละคนกาเฟสจะรู้ว่าอะไรนะบ้นปลายของคนกาเฟสนั่นเป็นอย่างไรตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้เอาล็อให้สบายให้ฟาโร่สบายไม่เคยจามเลยอยู่สบาย ละมูซาบอกว่าคุณน่ะศัตรูของอัลลอฮฺเลวเลวยังไงวะนี่ไม่เคยป่วยเลยเงินมีไม่เงินมีตำแหน่งก็มีแล้วก็นนทหารเป็นของฉันหมดเลยฉันจะเลวได้ยังไงเห็นยังฉะนั้นตอนอยู่บนดุญยานี่มองไม่รู้หรือว่าตัวเองเป็นยังไงแต่บ้านปลายของคุณเดี๋ยวคุณจะรู้ฉะนั้นเนี่ยไอการตัดสินโดยอะไรแอ a เปริเนี่ยแปลว่าอะไรจเพาะหน้าเนี่ย ตัดสินเฉพาะหน้าเรื่องข้างหน้าเนี่ยอย่าไปมองอยู่กันสบายไม่ใช่อนี่ยถูกทดสอบเลยครับกำลังกำลังเก็บคะแนนอยู่ตอนเนี้กําลังเก็บคะแนนคนอยู่สบายคนอยู่ลำบากกาลังเก็บเก็บคะแนนฉะนั้นอย่าตัดสินความสบายเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺอย่าตัดสินความลําบากเป็นการทรมานไม่ใช่อัลลอฮฺทดสอบกําลังจะเก็บคะแนนพวกเราอยู่วันนี้ วาสยาและมุลกุฟารูลมานนากบดเดอและพวกปฏิเสธจะรู้ในไม่ช้าว่าสถานบานปลายอันดีหรือเลวนั่นเป็นของคู่ใดเป็นของใครอายาสุดท้ายครับโอ้ศัตรูของอิสลามมีเยอะนะนุ่มรู้ใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ฟฟรนอโนใช่ไหมแล้วก็ยหฮูดีเป็นศัตรูของอัลลอ์ด้วยผ่านนบีอีสาเห็นไหม ศัตรูหมดเลยอ่ะอลัลลอฮ์เล่าให้ฟังหมดนุน่มรุด่ดสมัยนบีอะไรนบีอิบรอฮิมฟรอนออลส ม, ยมัยนบีโมเสียฮูดวันนี้ก็ยังอยู่เป็นศัตรูของนบีอีซาด้วยเพราะว่าฆ่านาบีอีซาเสร็จแ ล, ล้วอัลลอยกขึ้นพระขบวนจบวันนี้ก็เล่นพูกเราแทนแล้วก็คนซอเอมเนี่ยถูกอลัลลอฮ์อาธรรมเนี่ยแต่ไม่รู้สึกตัวเนี่น้ำท่วมเนี่ย เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ Allah นะแต่หลายคนก็มองไม่ถึงอัลล์สักทีหนึ่งแต่พวกเราอินชาอัลลอ์เราเตือนกันเนี่ยเป็นบราระนะนะครับนึกถึงอัลลอ์ด้วยตวบ้าตัวอิสติกฟาตนมาดซตะกอทำความดีใช้มากขอมาอัลลอฮ์นะครับอายะสุดท้ายครับวาญกูลละดีนกฟรูลาสตามุรซลา แต่บรรดาผู้ปฏิเสธกล่าวว่าท่านไม่ใช่บอกว่ามุฮัมมัดนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่รอซูลที่ส่งมาหรอกปฏิเสธว่ามุฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่รอซูลที่อัลลอ์ส่งมาเห็นไหมด่าใครเนี่ยด่านาบีมฮัมมัดหนไมมฮัมมัดท่านนี่ไม่ใช่รอซูลของอัลลอ์หรอก คือฮะดิษเป็นอย่างนี้นะครับท่านอิบนอบะไดรายงานบอกว่ากอดีมาอาลลอซูสุลลิลลอุสกุฟุนมิญยะมันมีคนกลุ่มหนึ่งจากประเทศเยเมนมาหาท่านนบีนะครับฟักอลาแลยฮิสสลามนบีถามบอกว่าฮัลตาจีดูนีฟิลินจีนรอสูลันนบีถามนะคนพวกกลุ่มคริสเตียนนะ กลุ่มคริสเตียนจากประเทศยเยเมนมาหามาเยี่ยมนบีที่ที่นครที่ม ด, ดีนาเนี่ยนะนั่นพิจารว่าคนเคยพบในคัมภีร์อินยีนของคุณนะเรื่องของฉันมีไหมในอินยีน่ะเล่าเรื่องของฉันไว้บ้างหรือเปล่าว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายจะมาคนคนสุดท้ายเป็นนบีคนสุดท้ายเคยอ่านพบไหมเขาบอกว่ า, า, ว า, า, ว า, า, วาไม่เคย ไอที่ไม่เคยเนี่ยเพราะมันอาจจะอ่านแล้วไม่ยอมรับหรืออ่านเพราะไม่เคยอ่านเลยก็ได้มีสองอย่างใช่ไหมล่ะฟาอันซาลลอห์ท่านได้ได้อลลอฮ์ให้จิบรีนนำอัลอกูร อ, อ่านมาให้เลยอ่านอายะนี้นวายกูลกุลลาฮนะกฟาลลัตมุรสซาลาบดาผู้ปฏิเสธกล่าวว่าท่านไม่ใช่ผู้ถูกส่งมาเป็นรอซูพอคนกาเฟ พวกอะไรนะอัลกิตาจากคนจากเมืองเยเมนมหานนบีเพราะนบีถามพวกที่ว่ามุฮัมมัดฉันไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็คุณนี่มาใช้เป็นตัซูลด้วยกุลอัลลอ์ให้นบีมุฮัมมัดตอบว่ากุลมุฮัมมัดตอบไปเลยกฟาฟบิลลาฮิชาฮีดะไบนีวะาบนากุมเพียงพอแล้วถึงคุณไม่ยอมรับ แต่อัลลอฮ์รับรองพอแล้วอัลลอฮ์รับรองพ อ, อยังพอแล้วถ้าอเมริกาไม่รับรองได้ไหมได้ยูเอ็นไม่รับรองได้ไหมได้อัลลอฮ์รับรองพอไหมพอต้องการจะบอกเราอย่าไปพึ่งยูเอ็เยอะอย่าพึ่งรัฐบาลเยอะอย่าพึ่งคนเยอะพึ่งใคร อัลลอฮ์งั้นกุ้งอ่านอธิบายยังไงถ้าอัลลอฮ์รับรองอัลลอฮ์พอใจพอเนี่ยวันนี้เราเอาอากาศของเราเนี่ยให้รัฐบาลให้รัฐบาลบังคับให้จ่ายอากาศเขาไม่รู้จักอากาศอยู่แล้วพวกเราก็ น, น่าจะคุยกันเองเนะมั้ยอากาศของอัลลอฮ์ให้กับใครจัด ก, การยังไงให้รัฐบาลออกมาจ่าเรื่องอากาศ เนี่ยปรกไให้ยูเอ็นรับรองให้รัฐบาลรับรองให้กระทรวงรับรองให้เอเน่รับรองนี่อัลลอฮ์พูดชัดเลยนะถ้าใครไม่รับรองนบีมุฮัมมัดไม่เป็นไรอัลลอฮ์รับรองพอแล้วฮัมดูลิละนมาใครรับรองอัลลอฮ์รับรองสากาใครรับรองอัลลอฮ์รับรองอัจีใครรับรองอัลลอฮ์รับรองรัฐบาลไม่รับรองไม่มีปัญหาครับ ยูเอไม่รับรองไม่มีปัญหาครับเชิญตามสบายฉะนั้นเนี่สอนสอนพวกเราด้วยกุลกาฟาบิลลาฮิชฮีดำใบนีวะใบนกมุมเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับท่านวามันอินดดหูอิลมุลกิตาบและผู้ที่มีความรู้ในคำพีแต่ก่อน ความในอินเดหูและคนที่มีความรู้ในคัมภีร์กันก่อนเนี่ยนะที่ทํานายการเป็นนบีของมุฮัมมัดคือมีบางกลุ่มที่ศรัทธาคนคริสเตียนบางกลุ่มที่อ่านคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์ไบเบิลนะพูดว่ามุฮัมมัดเนี่ยจะเป็นนบีคนสุดท้ายอย่งมีครูอ่านอย่างมาอีเล่หนึ่งอย่างน้อยใครนะที่บอกครั้งที่แล้วเนี่ยอับดุลลอห์บินสลาม คนหนึ่งที่เป็นยิวและอีกคนหนึ่งเป็นคริสเตียนนาจาไรนาจาชีมารอิสลามวันที่นาจาชีกษัตริย์นาจาชีเสียชีวิตนะ่ยไม่มีใครนามาฎให้เลยอัลลอฮ์ให้ยิบรลีลงมาหานาบีนบีพอยิบบลีมาเล่าว่านาจาชีเสียชีวิตแล้วนะนบีก็จัดนามาฎรออิบให้เลยให้ซอ บ, บ้านหนาบีนามาฎตามนาบีพอไหมห้ามดุลินะ มีคำถามถามเยอะเช่นมีคนนิบรับอิสลามนี่นะระหว่างที่ป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็พาไปรักษาที่บ้านเ็าเลยเนะ่ที่โรงพยาบาลค่า จ, จ่ายเขาจ่ายเองแล้วก็ญาติพี่น้องทั้งฝ่ายมุสลิมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รักษาพอตายเสร็จเขาก็พาเข้ า, ขาอะไรนะเข้าวัดแล้วก็เผาเ้าเป็นยังไงอะ่ะก็แบบนาาชีานี่นะ่ง อาญาชีเป็นมุสลิมเสร็จแล้วตอนตายมุสลิมไม่ได้รับผิดชอบเลยใช่ไหลคนอะไรคนนาซา ร, รับผิดชอบแล้วก็จัดพิธีศพตามนนะ่นน่ะตามไรนะตามประเพณีของเขามุสลิมไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยน บ, บีวู้มัด น, นมาดขอหนูอาจบท้า น, นวันนี้คนที่มารับอิสลามนะครับต้องเขียนยนต์ไม้ไว้ด้วย ถ้าฉันตายเนี่ยศพของฉันต้องให้มุสลิมดูแลจัดการถ้าไม่เคี้ยนเอาไว้มันทะเลาะกันแย่งศพกันจะเอาไปวัดดีหรือไปสุราวดีใช่ไหมมีปัญหาไหมมีปัญหาจะาต้องทำอะไรทไมันละเอียดจะเรียบร้อยหน่อยเพราะเราเรียกชื่อว่ายุคเจริญที่สุดแล้วครับฉะนั้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮตัลละนี่จบสุราอัลลอฮุดนะครับ ข้อสรุปมีประมาณสิบหสบเจ็ข้อสรุปข้อสรุปนิดนึงนะครบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยยืนยันในการพิ่งุรานว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวข้อที่สองต้องการจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ย่ามุลรู้นาไดฮาว่าหุมานฮามอดีดูอัลลอฮ์เล่านะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้เยอะมากแต่มนุษย์ส่วนใหญ่มองผ่านไม่เก็บมาเป็นข้อคิดใช่ไม่ใช่ ใช่ครับเนี่ยน้ําท่วมเนี่ยเป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ยามุรู้นาเลยฮะว่าุมอันแท้โม่ดีดูนมองผ่านเลยไปมนาบุลลาซ า, า, านก็อธิบายนะนี่อญาญนี้แหละยามุรู้นาเลยฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันผ่านตาเราผ่านทางทีวีผ่านทางห น, นังสือพิมพ์ผ่านอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ย แล้วก็เราไม่ให้ความสนใจปล่อยมันผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, น, ไปนี่นะไม่ไม่ไม่ถูกนะจะนั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้รับรู้ด้วยแล้วก็มันเป็นผลต่ออีหมัลของเราด้วยนะครับต้องรับรู้แล้วเอามาวิเคราะห์อเอามาศึกษาเหตุการณ์ในสุรอระรอดูมีเหตุการณ์รบกวนยี่สิบกว่าเหตุการณ์นะครับไปสรุปประชันผูน้นองฟังอ้างข้อขอจบนะครับบอกว่าลักษณะ ของคนที่มุตตะกีนก็คือคนที่พวกเราเนี่ยสัญญากับอัลลอ์ไว้นะทำสัญญาตั้งเก้าฉบับตอนที่อยู่ในอาลัมอรวาโลกแห่งวิญญาณเอาไว้สัญญาฉบับแรกก็คืออัลลอ์เป็นพระผู้อภิบาลของท่านยอมรับทาไมาจึงยอมรับล่ะก็เพราะว่าเห็นอัลลอ์ วิญญาณเห็นอัลลอฮ์วันนี้วิญญาณมาอยู่ในร่างของพวกเราอัลลอฮ์เอาอะไรนะเอาวัตถุเข้ามาแทนก็เลยมาเห็น Allah. อัลลอฮ์ลองจะไปทํำพาสเนี่ยเอาอะไรมาแทนเครื่องบินมาแทนมีอยู่หลายสายเลือกสายไหนก็ได้นึกว่าอัลลอฮ์ไม่มีอ่พอจะง่วงนอนเดี๋ยวไปนอนแนตะ่บนที่นอนใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่มี พอจะมีอารมณ์ชาวาเซ็กซ์มีภรรยารออยู่อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวพอจะกินข้าวเอาข้าวใส่ปากอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวเอาวัตถุมาแทนใช่ไหมพอจะเข้าบ้านมีบ้านอยู่อลัลลอฮ์ไม่เกี่ยวลองตายดูสิโออลัลลอฮ์อยู่ที่นี่เองเอ่ะอัลลอฮ์นี่มาลิกายอยู่นี่เองอย่าอาลัลลอฮ์ ทรงใช้กลับมาอยู่บนดุนยามาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมละอัลลีอามาลุซอลิฮันฟีมาตรอบตุฉันจะปฏิบัติอามันทิซอลและในสิ่งที่ฉันได้ทิ้งไว้ลืมไว้ไม่ได้ทำลอาตายดูจะเห็นตอนนี้ยังไม่ตายยังเพลินอยู่อร่อยอยู่นะครับสุภานักวะหุมาบิฮัมดีก็เฉดุวัลแล้วอิละอิลอันตะอัสตัฟลกะวะตูบิไลลามลกุมรมตุลลอฮบรกต